พระธรรมเทศนาแผ่นที่55ลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่22สิงหาคม2556ในโอกาสอบรมคณะอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลาพูมีชื่อเรื่องว่ากลาบพะก้าววัด เรื่องไปเก้าวัดหลวงพ่อไปเทียวธุดงในป่าไปกระสงัสจะเป็นมาลาเรียเพราะองค์นึงเป็นมาลาเรียแล้วสมัยก่อนใครมาลาเรียสมัยก่อนโอ้อาการนักเลยบาในรูปฟอกปวดหัวปวดหัวบรจักษ์เศร้าแต่มันก็กปวดแห้งก็ เออบ้านให้เขาก็เลยหมอโรงพยาบาลไปไปพักยวนโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลศรีธัญญานี่เป็นโรงพยาบาลบาล้านได้เป็นบอลบานให้เพอออนเป็นโรคจิตหลงตาเป็นโรคจิตหลงตามหาบวัวไปพักยวนพักผมไครครับเป็นเอกเทศดีเพราะว่าบ้านพักเพอออนเป็นมีบริเวณกว้างขวา ง, วางผมก็ปฏิโยผมมาอยู่กรุงเทพเองผมมีประโยชน์มิแต่ อโยมผูเ้เทาผู้หนึงผู้ชายผู้หนึ่งเน่ะเฝ้าอยู่ทางไตฮะนะท่านอาจารย์ไปพักหันก็ได้อยู่สององค์วงหนึ่งเป็นมัลเรียอิลีอาจารย์หัวเพื่นว่าโอ้ไป อ, อยู่ทางสกลนครตีนเขาผู้พ่านข้านว่าบอขมบอเจ้ า, อจาของเป็นไขม่มาลเรียเนี่ยโดดกุฏิแลนแถวสันเถวเพื่อนว่าเพราะว่ า, วามันปวดหัวเขาปวดหัวเขา บ้านเราเป็นผีข่างย่างอยู่เลยหน้าประตูลงไปผีมันเขาา่าเม้าลงไปมันประสาทร้อนเลยเอ้ยก็เลยขึ้นขึ้นว่าไงโอ้ยมันบ่มเนผีเอกสิกลุ่มเป็นมะระเลีนเน้ยวสิมันประสาทร้อนขาวานเนี่ยประสาทร้อนสิาานนก็เลบยบดดูดกตีิอ่นลงไปโอ้ยแต่ปวดหัวนะนั้นนะว่าไเอก็เลยสีดยาไปห่อหันเป็นมันเป็นโร ง, งพยาบาล บำราดณราดูลนโรคติดเชื้อพวกเชื้อเบื้องฉาดเบื้องศาสตร์เกลือร้อนพวกที่เป็นเกี่ยวกับมละเรียเกี่ยวกับยังเนี่เขาจะเก่งบาดเนี่ยไรผ้าเนี่ยท่านหวดไปไปเขาก็เลยเป็นถามก็เลยว่าเขาดูดเลือดออกมาอะไรบ้างเขาก็ตรวจตัวเขาก็ฉีดยาเข้าไปพอฉีดเข้าไปโอ้ตะแกวอ่ะ ดีอิเลีล่ยวกสนเนี่มบ้าหลวงพอดูดนไปดูดเลือดเขาหาเสือ้อเพราเจอะกว่าเนี่ยแต่มันปวดตัวลงไปปวดหัวมานในหมอเจริญเอ๊ท่านอาจารย์อันคิดเองอย่างหลายบอกสันเน่ยนักอกนักใจยังยังหลายผมบอกนเขาบอกมีเรื่องอีนักกินนักใจแน่ว่าเขาเป็นพระที่ น, นักใจเรื่องเนี่ยมาเดี๋ยวก็ผมไปผ้าไปตรวจสันได้เอาเปอนไปผ้าไปตรวจหองของตรวจสมอง มันไม่เครื่องพอูสายไฟขนาดนี้แล้วนวาไปอแต่ว่าเสี ย, นยงน้อยทั้งหมดเลยไปก็ให้นอนในเตียงพอนอนในเตียงแล้วก็ใส่ใส่หัวนี่ยสับหลับใส่แขนใส่เขาเขาบอกเขาเห็นปานน่ะชักเถื่อนนวลไปหลหรือนวลไปสายไฟอืเขาก็ตรวจพอตรวจแล้วก็มีอย่างอีกนอลไปโอป่านนี<อ>้ น, นะก็พอตรวเจเสร็จแล้วป่นเนี้ยพออ้อ ไปไปชุ่มมา้าบัดเนี่ยถ้าไปชุ่มมาบัดนะโอ้ตรวจเชลยยังท่านอาจารย์เหรอตรวจแล้วเหรอโอ้เสียดายผมมาไม่ทันเนี่ยมาของท่านอยู่ที่ไหนแล้ววะถ้าผมมาทันผมจะบอกว่าให้ท่านอาจารย์เข้าสมาธิดูสิเออให้ท่านอาจารย์เข้าสมาธิดูสิเออแล้วก็จะได้ตรวจเพราะหลวงปู่ชอบเนี่ยหลวงปู่ชอบไปตรวจ นี่แหละร่วมพยจารณาเอาหลวงปู่ท่านเข่าสมาธิด้วยนิมนต์หลวงปู่เข่าสมาธิจะได้จวดหลวงปู่เข่าสมาธิท่านทีเอ็นขึ้นหัวใจมรจิตรึงเสี่วไปอพ่อเขาพ่นเข่าสมาธิหนึ่งขึ้นเออสายเรียบเลยหวานว่าอืมเพระจิตใจสมองมันบกิดอ่ะเอ่ที่ สมองมันบอมันบ อ, นบอทำงานเลยจิตจอดมันจุด่ไปสมองมันจุดทำงานเน้วก็พ น, นวัเนเ่งเวลาเขาสมาธิเป็นยังสัตนบาาแล้วเปิดมาจะเห็นหลวงพ่อเนี่เขาสมาธิแบบนั่นวันหนึไปจิเป็นยังไงวันหนึ่หฮาโอ้ดีแล้วเว้ยวกันหามันบ่นี่เ็ยังหลวงพุทธอบอยู่ให้ยังไงให น, นียว แล้วเขาก็เลยนางนางอยู่ม <M> ียายผู mouse, ้หนึ JJonak ่งประมาณจากอายุประมาณจากสี่สิบสี่สิบกว่าหาสิบนี่นะเขาพามาโรงพยาบาลกันไปเขาก็จูงแขนมากพอมาหอดทานพ่อหอดลงพ่อเนี่ยนางปลุกปบปับก่าบพหมดไปก่าปลุกปลุกปลุกปลุกปลุกก่าโบจักเศร้ากันไปกราบั้งเก่าเธอนมดไปทั้งพออ้อ บอกจะเลิกในถามยายทำไมกราบหลายครั้งนัก เ, เขากราบที่เขาก็กราบเพียงสามครั้งพุโทโธธรมโมสังคโฆหนึ่งยายกราบทั้งหลายครั้งไม่แล้กี่ครั้งในยายกราบยายคนนั้นเหลียวเบิงนาพอออน้พูดอะไรเหมือนกับว่าเขากาบเก้าครั้งเพื่อความเก้าหน้าของเขาก็ไม่รู้ก <laughs> ก้าวเก้าข้างเพื่อความก้าหนาวนะืปที่แท้โตโตพ้นก้าวนั่นแหละโตะบ้าแล้วเราไปเป็นโรคประสาทมากเราไปเงยจนเขาได้จนจะได้จับแขนมาล่งพยาบาลแล้วเราไปเออเป็นโรคประสาทจะมาตรวจรพอมาเห็นผ้าบ้ากับพ้านี่ถือกันในแท้แท้ขั้นพ่อมาเห็นผ้านี่ยพบปบพับแล้ดึกแขนไปก็บอกไปท่านไป แห่ได้กลาบสก่อนหน่อยไปกาบปลอกปลอกปลอกปลอกปลอกพ่อกลาวแล้วพอออกสงสัยแล้วเป็นบุเคลก็เห็นกาบหลายประนันจืกเธอเอาย้ายทำไมกล่าวอะไรมากมายเสียแล้วมองหน้าพอพูดอะไรไม่รู้เรื่องพูดอะไรเหมือนกับบ้าเขากลาวก้าวครั้งเพื่อความก้าวหน้าของเขาก็ไม่รู้หลวงพ่อยังจำมาเลืมาหนึ่งเลย พ่อหนุนพ่อเห็นลูกเห็นลานไปไปกลับ ไ, ไปใสไปกราบเก้าวัดหลวงพ่อเลยนึกคำขึอนนึกขำขำขึ้ น, นนะไปกราบเก้าวัดเพื่อความจเจริญก้าวหน้าไปอย่างนี้พ่อไปกราบเก้าวัดกันเบิง่งวางค้อด้วยกันหัวฟัดหัวเฟียงเม่าเหล่ากันไปเส้ใส่เส้สเสขวากันไปไปกราบเพื่อความจเจริญก้าวหน้าของเจ้าของอ๋อ ก่อนที่จะไปกราบเพื่อคว้างจะเล่นกาวนาเมื่อกันต้องมีคุณงามความดีมเช่นก่อนเมนโมระมีอย่างาไปกราบเมื่อต้องเป็นกราบทั้งเก่าวัดเอกะเบนเสียจะไปเพื่อฟังเทศฟังถ้ำของเพิินฟังโอวาตรของเพิินอันนั้นอีกแนวนึงการว่าไปกาบไปไหว้ธรรมดาเนี่ยพระพุทธลูกยุในไดสกับกาบเท่านั้นก็พ่อแล้ว เวียนเสด็จไปกราบพระกราบสงฆ์ครูบาอาจารย์เพื่นมีอายุพรรษาที่ห้องหูจักมักขุนเพิ่นไปกราบไปไหวเพิเพื่อจะได้ฟังโอวาทของเพิ่นการเห็นพระครูบาอาจารย์สมณานั่นจะทัศนังเอตมังคารมุตตมังได้เห็นสมณะครูบาอาจารย์ที่คงแกเรียนบวชมานานพวกเรา พาลูกพาหลานไปเพื่อกาบเพื่อไหว้เขารบสักการะบูชามุดน้ำดำหัวตามประเพณีวันเข้าพรรษาอีกแนวหนึ่งบางคนบัได้คิดง่ายๆนี่คันว่ากาบเก้าวัดกับเพื่อความเจริญก้าวหน้าไะหรักาบพระเก้าวัดวกร น, นพวกเฮานะ คุณงามความดียกับจกของทั้งมดนนะให้สร้างสมคุณงามความดีปุญญกุศลเอาไว้เนคันาวาพวกเฮาบ่อเห็ดบ่สางบ่อร้เอาไว้ไผสีเห็ดให้เฮาพวกเฮาเกิดมาลยในผืนแผ่นดินไทยหลวงพ่อว่านับว่าโชคดีย่างมากๆปฏิลูประเทสวาโซจะปุเพจจกกตะปุญญาตา อัตตสัมมาปณิทิปุเพกตะปุญญตาปฏิโูปเทสวานโซจ่ายอยู่ในประเทศอันสมควรคือประเทศไทยของเฮ้านี่บอ่อหอดบอ่บอหนาวบ่อพ่ายจุบอ่อหนามทวมบอ่ออันตรายมากบอกคือต่างประเทศในต่างประเทศในละแวกของเฮ้าใกล้ๆกันขั้นบอ่อหอดคือค น, นตายคนเด ห่อนหลคันว่าหนาวขือนกันยังประเทศจีนก็ค้นตายขึ้นกันคันว่าพายุทอร์นาโดบงทีแถวฟิลิปปินส์แถวบงังบังคลาเทศค้นก็ตายขึ้นกันแต่เมืองไทยของเฮาเนี่เบิ้งเบิ้งเลก่อนพอถึงอันตรายถึงขนาดนั้นแต่ก็มีมีบ้างบอ ถ, ถึงอันตรายมากอันนี้เราว่าปฏิโรปรเทสวารโซจะอยู่ในประเทศอันทงขุน โอเพจากตะปุญญาตาพวกเฮาคงจะได้สร้างบุญไวในอดีตจึงได้มากเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแห่งนี้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวน้าข้าวน้ามโภชนอาหารเพราะวา่าเฮาคานว่าเฮาไปเกิดพิธีพิษท่างไปเกิดแถวอฟริกาจังสันบาปผ้าไปเกิดไปเกิดในประเทศที่อดอยากท้องใหญ่ๆขาหลีบๆหัวโตๆ ที่เขาเห็นในี่ซึ่อที่เขาเอาไมา้เบิร์นถ้าห่อไปเกิดจังสันแปลว่าประเกิดไปเกิดในประเทศที่อดหยาบเนี่ยบอมันปฏิรูปรประเทศอันนี้เข้าเด็มาเกิดในี่ยปฏิรูปประเทศเพอเข้าได้ทำกรรมดีไว้ในอดีตเกได้มาเกิดจังหมงจังซีแต่ว่าเข้ามาเกิดหมองจังซีแล้วเท่าตั้งอยู่ในความประมาท วัดทสร้างสมบุรณกุศลเอาไว้เฮ้เขากับตกตําไปอีกได้บ้างเรียกว่าอัตตะส ม, มาปนิธิตั้งตนไว้บอชกันไปลืมลงมั่วเมาในการเป็นอยู่ของเจ้าของไม่ได้วัดที่สร้างสบุรสร้างกุศลใส่เจ้าของแต่อพอออกจากชาตินี้ไปแล้วเขาบอจักทีไปใส่แหละเพราะในพวกเข้าเกิดมาในผืนแผ่นดินไทยพระเจ้าแผ่นดิน เขาเป็นพุทธมามกะพุทธศาสนูประถมภกเป็นผู้นำพระพุทธศาสนาผูกปลุกหลานทั้งหลายเขามาบวชในพระพุทธศาสนากับกเคิรกเคิร์เคินเพราะเหตุใดเพราะในหลวงผ้าบวชประมุขผ้าบวชในหลวงพ้นผ้าบวชเพราะนั้นเข้าบวชเขามาเข้ากับบกเคิกเคิรนเพราะเหตุใดเพราะผู้ใหญ่ในแผ่นดินพ้น ให้การทรงเสริมเฮาทรงเสริมพระพุทธศาสนานี่แหละอันนี้คืออันหนึง่งในเมื่อเฮาพบพระพุทธศาสนาแล้วเฮาควรจะปฏิบัติตนจังไรบ่าควรจะประกอบคุณงามความดีตั้งตนไว้ให้ชอบประกอบคุณงามความดีเฮาเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ผู้บาดาจอีกต่างหากตัวนี้แหละตัวสิสาคัญ ที่จะพบพ่อแม่กูบาอาจารย์นี่แหละฟังดูสิบาตเข้าใ้ศึกษาเบื้องบัดธรรมเทศนาของเพนลนธรรมอเลกิตคิดของเพลนที่นังซื้อบั่ง mp สบั่งสถานในวิทยุเสียงท่ามของโวงตาประกาศทั้งบีทั้งวันขันเข้าสนใจใส่ใจในการได้งิ้ยนในฟังเขาก็จะได้นํำมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายว่าจจใจของเขาะบา เพราะนั้นเข้าเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ย่าให้เปล่าประโยชน์สรุปแล้วก็คือให้สร้างสมคุณงามความดีไว้นะลูกพาะลูกพระลานหนองลุงทั้งหลายจัดท่ายาดย้อมทั้งหลายอย่าต่างยุติความประมาทจนเกินไปชีวิตของผัวเข้า น, นับเบิ่งแล้วมันว่ามันในจูหลวงอยู่หลายอย่างด เ, เดี๋ยวเป็นพระเดี๋ยวองค์นั่นไปเดี๋ยวองค์นี่ไป อยังหลวงพ่อเนี่ยกันหลวงพ่อเนี่ยนะหลวงพ่อผจญจังหวัดเลยก็เป็นมูกันเลยอายุแกกว่าหลวงพ่อพันษาเดียวนึงได้อายุแกกว่าปีนึงแต่พันษาของเพิ่นอ่อนกว่าหลวงพ่อปีนึงหลวงพ่อคุ่นคือกันหลวงพ่อคุ้นผู้ดินอายุเพิ่นแกกว่าหลวงพ่อปีนึงแต่พันษาของเพิ่นอ่อนกว่าปีนึง พ่อใหญ่เพาะพัพรษาอ่อนกว่าพ่อหลวงพรเนี่ยเป็นเน่นเลยเป็นเน่นมา ก, ก่อ น, นยังมาท่านนับเอาในทองแม่อีกสมเดือนเท่านั้นก่อนบวช น, นะบวชท่านเต็มขังแต่ในพระวินัยพ่อในนับเพียเก้าเดือนแแต่หลวงปู่หลาพ่อนับว่าสามเดือนเนี่แหละหลวงพอจึงมีอายุพรรษามากกว่าทุกงบางองค์เพื่อนก็คัดเลือกทั้งหารแล้วเพื่อนยังค่อยบวชยี่สิบ็ปียังคอยบวช แต่หลวงพอ่อบวชเพราะอายุยี่สิบยังว่าท่านเต็มคักหลวงพ่อบวชพราะนั้นจึงมีอายุจังมีพันษาแกว่าพวกตุ่นเล่าข้าเดียวกันนี่ลหละจากนั้นถึงจะเป็นคู่บาอาจารย์พระสงฆ์ก็เถอะกะล่วงรับรับขันไปตายไปอย่างบ ง, ง่ง่ายมรณะภาพไปนี่คณะศรัทธาญาติโยมคือกันพวกเฮ้า ปอแมปูญาตาย่ายเออก็ไปลโล่งลุยไปตามอายุสังขัดแต่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นกระบอแมนสิ่เอาความตายมักขู่กันกระบแมนเพียงแต่ชี้ให้เบิงา่าค้นเฮาเกิดมาเนี่ยเอ อ, อมมีพลายยูสัวฝ่าดินสลายนเนอะพวกเฮาทุกข์ทุกคนควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสางบุญสางกุศลเข้าสู้จิตสู่ใจ พอผัวเขาเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่คู่บาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างหลวงปูหมัดเป็นต้นตระกูลของพวกเข้านี่แหละอันนี้ก็คือการที่ห้เขาพวกเข้าได้เกิดมาให้เข้าประกอบคุณง้ามความดีให้สร้างบุญสางกุศลแต่ว่าการสร้างบุญสางกุศลก็มีหลายหลายๆอย่างก็คือให้ท่าน ลักษาศีลภาวนาการให้ท่านเนี่ยก็มันมีหลายอย่างกาว่าท่านท่านมีหลายอย่างอามิชทานคือให้อามิศเขาน้าโูชนะอาหารอามิชทานวิทยาทานคือคือให้ความรูก้กับคนที่บ่งหูสั่งสอนแนนํำเขาอะวิทยาทาน อภัยทานก็คือหายการหายอภัยซึ่งกันและกันพอถือโทษโกรธเครื่องบ่ผูกพยาบาทอาฆาตจนเกินไปอันนี้ว่าอภัยทานธรรมทานคือหายความรู้เรื่องธรรมะกับพวกคณะจัดทาา่าหยาดน้อมลูกหลานทุกขูทุกคนที่มากเกี่ยวข้องผูที่ปัญหูธรรมะเป็นกันแนน้ำสังสอนให้ฟังอันนี้ว่าธรรมทาน การท่านก็มีหลายอย่างสินกำลับพวกเข้าขอนัตต์ท่านแย่งนมทั้งหลายก็คือสินหาสินหาเนี่ก็คืออย่าคิดขากันเนอะอยาขามโมยกันให้เคารพสิทธิในสามีภรรยาซึ่งกันและกันอย่าไปโกหกอย่าไปขี่ตัวอย่าไปกินเหล่าถ้าว่ากินเหล่าเข้าไปแหละมันเมาขาดเจติมันเมาแล้วมันขาดเจติ พรมันขาดสติแล้วคนขาดการยับยัง้งเหตุความสัวในทุกอย่างเพราะคนขาดสติคือคนเป็นบา้าทัานในเมื่อคนเป็นบ้าเนี่ยเกิเหตุอย่างใดมัดทุกอย่างนะ่ะขาค้นก็ได้ขมโมยเขาก็ได้พิษลูกพิษเมียเขาก็ได้ขี่ตัวเขาก็ได้เพรเหตุใดเพราะมันขาดสตินี่แหละคือศินสําหรับคารวะงาดงา้งมอันนี้ก็เป็นนาทีของพวกเข้าอันนี้คือคุณง่ามความดีคือกัน จากนั่นก็เรื่องพอวนานี่ยเรื่องพอวนาที่สาคัญเนีควรจะศึกษาพ่อเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่คูบาอาจารย์สายหลวงปูหมันหลวงปูหมันเพิ่นสอนจังไดนรหลวงตามหาบัวสอนจังไรหลวงปูชอบหลวงปูเขาคู่บาอาจารย์ของเฮ้งที่เพิ่นหลวงรับดับคับนไปล้วนแล้วจะเป็นพ่อแม่คู่บาอาจารย์ที่นาเคารพนับถือเหลื่อมใสทั้งหมด ในเพื่อเพลินมรณาภาพลงไปแล้วเนี่บอหน้านกระดูกของเพลินก็ะเด ก, กลายเป็นพระธาตุให้เห่าได้กราบได้ไหวได้เห็นเป็นสักขีพญานกระดูกที่กลายเป็นพระธาตุคือกระดูกของพระหัน์พูดง่ายๆทังสัตว์เพราะนั่นพวกเข้ามากเกิดมายุคนี้สมัยนีบ้บ่อเปล่าประโยชน์นะลูกหลานนะถ้าเห่าคิดถูกให้ดีแล้วเกิดมาในระหว่างท่ามกลางพระระหันยังมีอยู่ในโลกอยู่ เพราะนั้นพวกเข้าจะตั้งคุณค่าความประมาทให้ศึกษาที่พ่อแม่ผูบาอาจารย์เพิ่นสอนจังไรเพิน่นเอาลักถ้ำข้ามสอนของพระพุทธเจ้านะมาสอนมาสอนพวกเข้าแต่ว่า บ, บางครัง้งเพิ่นกับประยุกต์นํามาใช่ให้เกิดประโยชน์สําหรับพวกเข้าเพิ่นได้ปฏิบัติมาใดจังไรแต่ละองค์เพิ่นกับนั่มถ้ำข้าสอนนะอั่นอะเอามาบอกมา ก, กาวสําหรับให้พวกเข้าได้ฟังได้ศึกษา คือการกับผู้หนึ่งคนไปเฮ็ดหน้าเู้นั้นก็นอธิบายออวิธีเฮ็ดหน้าเฮ็ดจากสีถึง4ีง4เน้เข็กทออไรก็ขายผู้หนึ่งคนก็บอกว่าผมถนัดทั้งสวนยางปลูกยางจากสีจากสีสีแล้วขายก็ไดงเงินผู้หนึ่งว่าผมถนัดทั้งเฮ็ดข้าวโพดปลูกข้าวโพดแบบนีเป็นขายไดเงินผู้หนึ่งถนัดว่าผมเฮ็ดลาดมันเฮ็ดออปลูกมัน ปลูกมั่นขายปลูกมั่นแบบนี้แนี้เราก็ขายจะได้เงินอันนี้คือกันคู่บาอาจารย์บางองค์นะพ้นอาจจะนัดในการแนะนํากรรมฐานนะครับพระลูกพระลานคณะรัทธา ญ, ญาติโยมพุทธเนนแต่ละองค์แต่ว่าถึงยังไงก็ตัดเรื่องหวงปูมันเพ้นจะแนะนําออกกาวให้พวกลูกพวกลานคณะสัทธา ญ, ญาติโยมพ้นว่าให้พ่อวหน้าพุทโทษเนะ้อ นี่แหลให้ภาวนาพุทโธให้นึกพุทโธให้มีพุทโธอยู่กับพุทโธแต่ละมือแต่ละเว้นว่างๆขึ้นมากกว่าวงช่วงไหนให้ภาวนายาได้ขาดมือหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเน่ยสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งได้ไหมให้นั่งภาวนานั่งให้คัดสมาธินั่งภาวนาถ้าได้ก็แปลว่าได้แหละห้าวตังอยู่ในความไม่ประมาท แล้วว่าขาดปลาเห่าว่ดได้พาวนาวัดไอ้ไหวพระสวดมนต์ไปเลยเอี่ยู่ไปโย่ไปหยกหอดเพื่อเลยเอยยยย อ, มอเ ล, ออลมหายตายจากไปื่ออันนั้นเพื่นว่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างมากพนั้นพลอยพวกเข้าเน้อลูกหลานก่อนรับก่อน น, อนั่งคูบาอาจารย์เพืน่นจะในนําสั่งตวดให้ไหวพระก่อนเน้อเอวัดได้มากให้ไหวเออพอไม่จะไหวปลอกปลอกกทั่งน้าตาไหลพร่อม ทั้งที่นอนพอบอันนั้นก็ตั้งอกตั้งใจจรีนะกราบพุทธโธกราบครั้งที่สองธรมโมกราบครั้งที่สามสังโฆหลวงปูหลาพณวานิพพานังหยกมือใสหัวกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานนะพณวาความหมายนิพพานังพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานัง อย่างนั้นครับอารหังเหล่านี้อรหังสัมมาสัมพุโทโธพระเขาวาพุธทธั้งพระาวันต่างอภิวาทเทมิกราบสวาขาตุพระวสตาธโมธามังนมัตสามิกราบสุปฏิปโนโรพระเวาตุสาวกสังโคสังข่างนมามิกราบและกับปโนมมือนโมตัสสะพระเาวาตุสมครั้งข้าพรเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันต์สัมมาสัมพุธทธเจ้าพระองค์นั่นเนี่ยกล่าวถึงนโมสามจบ จานาภพุทธังสรนั่งคาชามิข้าพเจ้าขอยิตพระพุทธเจ้าเป็นสนนนาทำมั่งสังขังข้าพเจ้าขอยิดพระธรรมพระสงฆ์เป็นสนนนาเป็นที่พึ่งดูตียัมปีข้าพเจ้าขอยิดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สองตาตีย่ำปีพุทธังทำมั่งสังขังข้าพเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สามจิถึงสามครั้งจิตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสนนนาเป็นที่พึ่ง จากนั่นก็แผ่เมตตาแล้วบนีอาหารสุขิโตโฮมินิตุคุโหมิหรือว่าเฮ้าบอไดบอไดเข้ามาอาหารสุขิโตโหมิก็ว่าเป็นภาษาของเฮ้าก็ะไดวัดน้มเมื่อขึ้นระวงังอกทำใจเห็นเนีงเนีงนึกในใจข้าพระเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพระเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพระเจ้าต้องการความสุขอย่างใด ผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทัวไตรโลกธาตุก็ขอไอ้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆวิญญาณทุกๆดวงใจด้วยเถิดอันนี้คือือพาวนาหรือว่าเมตตาออกมาจากใจจริงทุกขังขันคุณน้นที่มีเมตตาอยู่นรสถานที่ใดไปนรสถานที่ใดอยู่ในธรรมในผู้ในภาปอง พ่องไพป้าชาติที่ไหนก็ต่างถ้าว่าเข้ามีเมตตาในจิตในใจอยู่ใส่ก็อยู่นอนก็บอกบ่ฝันไายคนที่มีเมตตาแหมนอนบอกฝันไหลอยู่ใสก็เป็นชุบบอกมีเพีนมีไัยกับผูไรเพราะเหตุไดเพราะมีเมตตาเนี่แหละให้พวกเข้าจําไว้นะก่อนรับก่อนนอนคือกันแามมือเศร้าว้เท่านี้ก็พ่อละล่ะ้าผูได้ได้วายไรก็แห่งดีแต่วายเพราะอะไรกับเอาตอนนี้ เอานโมตสสะผู้ทั้งธรรมังสังขัางท่านนี่แหละและกัแผ่เมตตาจากนั่นก็ให้นั่งภาวนาปแต่นั่งภาวนานี่อยากจะให้นั่งคู่มือก่รรับกรนอนแก่กับกรสีนางภาวนาให้ดับวิทยุโทรทัศน์ในบ้านเจก่นโทรทัศน์โทรศัพท์ก็ให้ดับไว้ก่อนอย่าไปเปิดไว้ถ้ามันเปิดเยอะมากมันกวนมันขวนเฮาให้สตาร์ททับเจ้ก่อน มันปอพ่อสีหังสีมี่ย่อนโทรศัพท์วิทยุโทรทัศน์พาอประนันหให้ถิ่มไปก่อนป้าไปก่อนเข้านั่งเผ่าวนาทุกคนจากนั้นก็นั่งคือยังหลวงปูห่หมันนั่งเห็นไหอที่ลูกหลวงปูห่หมันนั่งขาขวาทับขาซ้ายเมื่อขาขวาทับขาซ้ายเรียบร้อยแล้วให้ปวเข้าปั่นมมือขึ้นระวางอกปันโนมมือขึ้นหวคู่ทุกคน เพือพระพุทธเจ้าพระถ้มพระสงฆ์สัก่อนพ่อประนมพื้นระว่างอกพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆเ พ, พ, พื่อเข้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ตัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาตพระธรรมก็คือถ้ำสังสอนของพระพุทธเจ้าที่คนแนะนําสังสอนให้วิธีการ ใหท่านรักษาศีลแล้วก็วิธีภาวานาอย่างที่เอากําลังที่ภาวานาเนี่ยในถรำข้าสอนพึ่นสอนให้ภาวานาจังซี่สังโคก็คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้นำถ้ำข้รมคําสอนมาประ ก, กาศมาเผยแผ่แนะนําสั่งสอนพวกเฮาให้หูจักดีหูจักชั่วให้หูจักก่อการวิธีปฏิบัติเอาวิจิต ว, วิธีการภาวานาจางังซีย ล, ละเนี่แหละเวลาเฮานัง แล้วก็พุทธโธตโมสังโฆสามจบแเอามือร่องไป เ, เพราะเอามือร่องแล้วก็กําหนดล่มหายใจเขา่าหายใจเข่าพดหายใจออกโทงอันนี้คือกรรมฐานของหลวงปู่มันนได้บาตนเลยหลวงปู่มันเพจนแนะนําสังสอนคู่บาอาจารย์บววาหาา ล, ล, าลวงปู่ขวัญบว่าหลวงปู่เขาบว่าหลวงปู่มหาบวหลวงปู่หลักหลวงปู่ชอบเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มันนะ หลวงปู่มันที่สอนให้ภาวนาพุโทโธปันเนี่ยผูบาอาจารย์รุ่นนี่แหละไปไปไสเพิ่งเห็นพระวนาพุโทโธเนอะามแนวแถวหลวงปู่มันสอนแต่รักถ้ำข้าสอนของพระพุทธเจ้านะไทยเปรียบเทียบว่าธรำข้าสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ไปตัดสรุปที่โคนตนโพ่อพุทธกญาณเาพร น, นังพระวนาคือกันขาขวาทับขาสายมือขวาทับมือสายสิทธะนะ เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสิทธะก่อนสิทธะเนี่ยเป็นนงังขาขวาทับขาทรายมือขวาทับมือทรายทํากายให้ตรงดํำรงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรั้วาหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ัดสรุเพ้นกันวา ให้กำหนดลมหายใจเข้าออกเนะ น, นี่ยว่าอาณาปานตัติกำหนดลมหายใจเข้าออกแต่หลวงปู่หมัเพ่นว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกจะเสื่มันหลุดง่ายมันหลงง่ายมันลื่มง่ายให้ส้ำทับเอาพุทธโธเขาส้ำทับเขาอีกนะเนอะเวลาหายใจเข่าบริกรรมมาพุหายใจออกบริกรรมมาโธพุทธโธถ้ามันเผลอไปดึงกลับขึ้นมา มันเผลอไปตื่ครับตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นนี้ออย่าให้มันโผอย่าให้มันหลงบังคับป้องอยให้มันหลงไปพุทโทษพุทธโทษแต่ทางมันยังหลงอีกโอ้มันยังหลงมันยังลดมันลดตรงตรงไหนวะบริกรรมพุทธโทษโทษที่เขาอีกบัดเนี่อคณะที่ใจมันติดคิดใจมันคิดเรื่องอย่างบริกรรมซ้ำครับในขณะที่ใจมันคิดไปพุทธโทษพุทธโทษพุทธโทแต่จะไปว่าออกปากนะ ให้หายใจให้ใจบ่นลงไปให้ใจจมลงไให้ใจจมแต่ให้มีสติในใจที่มันจมเน่ยพุทโธพุทโธพุโธพุทโธจนหมมีทางออกนะเนี่ยเป็นอย่างมันออกมันออกช่องไหนเอีอันนี้ก็คืออันหนึ่งแต่หลวงพ่อแนะนําอีกชั่วหนึ่งก็คือหลวงพ่อว่าให้พวกเข้าล่องลองนับเนาะวิธีการที่หลวงพอบอกเนี่ยเวลาหายใจเข่าให้เข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสามสี่ห้าหก เถึงลอยขันมเอเผอนับหนึ่งอีกถึงลอยคามันเผอมันเผอเป็นยังไง ม, มันยังไม่ยังเผอกับมันนับหนึ่งอีกมันพอดใส่มันเผอเลยครับมันนับหนึ่ ง, ๆๆ ง, ง, งมันเป็นอยังไงยังเผอเบื้องสังเกตให้เบื้างอีกมันเผอมันเผลอจังไหรให้สังเกตดูหายใจเข้าหนึ่งเป็นเลขคนะี่นะหเป็นเลขคี่สองเป็นเลขคู่3เป็นเลขคี่สเป็นเลข ค, คู่ หาเป็นเลขคี่หกเป็นเลขคู่แปลว่าหายใจเข่าเนี่ยเป็นเลขคี่หายใจออกเป็นเลขคู่นะไอจนถึงรอยขี่คู่ขี่คู่ ข, ขี่คู่ไปแต่มันบาหามันสิหลงมันสิเผอเนี่ยมันสิเบื่อสักหน่อยได้เพราะมันเบ่อใช่แล้วบาทเนี่ยมันหายใจเข่าขี่หายใจออกคู่ได้ไหว่าเนีนะ่ยแปลว่ามันหลงเงินแล้วนะโอ้ว่าไกรกลบมาใหม่อีกตั้งไมอ่อีกโอ้มันเผอจังไลยะ มันทําไมมันเผลอวะข้าว่ามันนับว่ท่านถึงสีเหมืนเผลอหอดซีหาเถื่อนอะย่าไปชะลาาใจได้บานน่บายป่าตัวตัวตัวตกูเนี่ยสติกูนมันป่านนี่ บ, บนน่ขั้นเผลอเผอกว่าเนี่นน ก, กูจะเป็นบา้าค่ะค่งแบบเนี่ยนะ ใ, ให้ถามเจ้าของรถมันไป อ, อกูจะเป็นบ้าแท้แท้เนมันเผลอสติปันเนี่ยออต้องตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอีกออนี่แหละคนที่มีสติแล้ว ว, ว่าเป็นบ้า เออพอเป็นอ <unlucky. S 2> ันใจเมื่อยต่างหากพนักนักที่เป็นอันใจเมือเนี่ยคือคนลืมสติเผลอเอเลื่อเลื่เลื่องเลือนลอยลอยไปเองสัตวเพราะฉนั้นพวกเขาต้องฝึกไปนะสติสัมปชัญญะจุดนี้นะในเมื่อเข้าภาวนากำหนดลมหายใจเข่าเรื่อว่านับหนึ่งสองสามถึงลอยกับมากับผันมันบบเผอได้เร่จิตสติเข้าดีแลเดเร่เข้ากัมากบริกรรมพุทโธมาอีกพุทโธพุทโธพุทโธนะ จากนันจิตใจของเขาสงบะะระบายจิตใจมันจะบอกออกไปทั้งนอกแล้วจิตใจจะยุ่งหนึ่งพอจากนั้นจิตใจร่จรวมสงบปับเย็นสบายพอเย็นสบายเนี่ยบางที่มันออกมันอาจจะบออยู่หน้าเนยมันอาจจะแวบไปนั่นก็ไปแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามในขณะที่มันจิตใจร่วมสงบชั่วขณะหนึ่งเพียงแค่นั่นล่ะเขายัางจับบอลืมได้โอ้ จิตใจสงบมันมีความสุขปานนี้เด้นี่ยย่างที่พระพุทธเจ้าเพิ่นว่าคูบาอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นกล่าวเพิ่นว่าให้ทําจิตใจให้สงบมันมีความสุขปานนี้ตัวนี่ยในถ้ำข่ำสอนเป็นพระบาลีว่านัทธิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าเพิ่นยืนยันยังสั่นได้ Ane, เน so cool. so cool. so ี่ยพอด่านเวลาเฮานางพ่อหน้าเมื่อคิดสงบออาไปแล้วบ้านเรามาต้องค้ามันจากงบหรือว่าสงบกัตามถ้ามันเป็นนี่จะแล้วเฮ้ามาต้องตามมันละเฮ้าให้มีแต่เบิ่งต้นเหตุของมันมีแต่พยายามเบิ่งพุทโทพุทธโทษอยจะให้มันเผอคานว่าจิดใจเฮ้าต่อไปเฮาคิตใจของเฮ้าเป็นสมาธิดีแล้วบ้านเนี่ยใจของเฮ้าคิดเรื่องอย่างบ้านเนี่ยสติของเฮ้าตามท่านเนีหยเฮ้าคิดเรื่องในใจของเฮ้าเนี่ตามสติของเฮ้าเนี่ตาม ตาใจเจ้าของท่านมาเลยมันคิดเรื่องอย่งก็ตามหลู่หลูลูลูลูมันถึงว่าส่งจิตออกนอกมาเลยบ่หิวบ่ห้อยวันออกไปโยนใส่สบายในจิตใจอันนี้ว่าจิตที่เป็นอุ ป, ปจาระสมาธิถ้าว่าจิตบาบเย็นสบายนะอันนั้นจิตที่เป็นคณิกะสมาธิออแต่ว่าจิตที่มันสติกับจิตควบคุมไปด้วยกันบ่หิวบ่ห้อยเนี่ยมีความสุข อันนี้เรียกว่าอุปจาระสมาธิจิตที่เป็นอุปจาระทามันดิึงลงไปกว่านั้นอีกสงบลงไปกว่านั้นอีกอจนบ่าเห็นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนั้นเรียกว่าอัปปนาสมาธิในเมื่อจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี่ยนิ่งลงไปขนาดเฮาจะหู้ได้ด้วยตนเองเลยบัด กายกับใจใจกับกายเนยมันคนละอันกันเลยนะชัดเจนในความรู้สึกของเฮาเลยที่พ่อแม่คู่บาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าเป็นบอกว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนยะ์เนอ่ยฮู้ยด้วยตนเองได้บัดตายแล้วมันบมดศูนย์แน่ๆตายแล้วเกิดเพราะเหตุใดร่างกายนี่ตายแ น, น่ๆเ่อไปในกระเถาแกชะล่าเนี่กิดมัดอายุ ข, ของมันร่างกายแต่ว่าใจออกจากร่างได้บัดออกไปปฏิสนธิ ยังหลงตาพันวาเนี่ยใจม่มีปาชาพันวาร่างกายเนี่มีปาชาใจเนี่มันไม่มีปาชาออกจากร่างไปเกิดไปยึดหมองอื่นอีกไปปฏิสนธิอีกไปหาเกิดอีกซล و แล้วลงพอเลยเปียดเทียมให้พวกคณะตัด ท, ท่าญาติโยมลูกหลานได้ฟังว่าร่างกายนี่ยมือขึ้นกันกับรถแลลูกหลา น, นะแต่จิตใจเนี่คือกันกับโซ่เฟอร์อรถโซ่เฟอร์รถกับรถเนี่ยมันอาศัยกันได้ รถมันจะไปได้ก็ต้องอาศัยโซ่เฟอร์แต่โซ่เฟอร์อีกสักมือหนึ่งรถมันใส่งานมานั่นรถผมันก็มัดสภาพตายรถตายเพราะมันมัดสภาพเมื่อมัดสภาพนี่ยโซ่เฟอร์ก็ต้องออกจากรถเลยบัดเพราะเห็ุไดจะไปเฝ้านั่งรถจนรถตายแล้วก็ต้องไปหาซื้อรถขั้นอื่นแล้วบัดแต่ว่าก่อนที่จะไปหาซื้อรถขั้นอื่นเนี่ยเขาได้เตรียมเงินไวบ๊อบบัดในขณะที่มีรถขั้นนี้อยู่เนี่ย ในขณะที่พี่รถเยเข้าได้ทำมาข่าขายยางบอ่อเข้าไหนหาเงินไวบ้บ่อเข้าได้เสาะแสวงหาบุญไวบ้บ่อขั้นมีแต่ลืมหลงไปแต่กินเหาเมายาสมัเละเทเม้ า, า, มมมาไปเลยบริคิดแต่อานเนียงพ่อรถขั้นนึ่งมดสภาพนะโซ่เฟอร์ท่านั้นห้อยยางออกจากรถโกยโกยแล้ววนันยักที่ไปใส่ก็เลยิไปหาซื้อรถขั้นอื่นกับอะไรเรียบร้อยเอาไปมัามําเหลียวพุ่นเลี้ยวพี่ก็ไปหาเกิดเป็นหมูหมา ก, กาไก่ไปลวบ่อไปเกิดได้ทั้งนั้นเน๊วิน ญ, ญาณอันนี้น เออมันโมเมนต์ที่ไปเกิดมัเป็นคนใดย่างเดียวเลยข้านเข้าผมมีบุญให้เข้าด้ทําบาวไว้นี่ยนะออกจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่แล้วเป็นเป็นสั่งมากง่วกควายเป็นสัตดเหล็กสัตดหน่อยในโลกมีทั้งเยอะแยะไปหมดเลยทีวิญญาณจะไปเกิดเพราะฉนั้นให้พวกเข้าลูกหลานทั้งหลายเกิดมาได้พบพุทธศาสนาพบพบเจ้าพ่อแม่คูบาอาจารย์ให้ลูกหลานทั้งหลายให้ประกอบคุณงามความดี ให้นั่งภ่อวนาบะตองถามไพรดอกกานว่าอยากจะาหูตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วศูญนะ่ะให้นั่งภาอวนาท่าิตใจให้สงบอย่างทิวานนะ่ะแต่ว่าใจสงบเน่งลงไปแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายขับใจใจขับกายเออมันอาศัยกันอยู่วอ ม, มนันอันเดียวกันประเนขอให้ลูกหลานทุกข์ทุกคนนะ่ะเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วจะได้เปล่าประโยชน์ให้สร้างสมคุณงามความดี เป็นโซ่เฟ้อให้สแสวงหาเงินเข้ากระเป๋าเอาไว้การว่าพวกเฮาขี่เกียจขี่ข้านปวดเจื้ออีกต่างหากาตายออกจากชาตินี่นะฮอาจจะไปเกิดเป็นหมูหมา ก, กาไก่เป็นเกิดไปได้ทั้งหมดบ น, นววหนั้งข่าวว่าเฮาสางคุณงามความดาีบุญกุศลกับเขาสู้ชิดเขาสู้ใจของพวกเฮ า, า, า, าพวกเฮาไปใส่ตะม้นเฮาไปใส่ก็คือเงินในกระเป๋าของเฮาพี่นะยังมือนีล่ะเนีมือนีพวกเฮาก็มา สังบุญสั่งกุศลเลยมาหาเงิ่นเขากระเป๋าได้เมื่อนีมาสั่งบุญมื่อนี่ไปตามวัดต่างๆอไปกราบไปไหว้พระพุทธรูปกราบไหว้คู่บาอาจารย์มาวัดหลวงพ่อเนหลวงพอ่อไงโอวัตเป็นแน่วความคิดสาหรับลูกสาหรับล้านให้เป็นแน่วความคิดให้คิดบ้างลูอที่หลวงพ่อวาวเนี่ยอาเป็นแนวทางแล้วก็ให้ลงมือปฏิบัติอีก่างหากเลยอย่พ่แม่ที่บ ให้ฟัง่งเะเซือหลอดพ่อแมนเด้ม่ฟัง่งเลยเออใช่หลวงพ่ออินเพิ่นบอกว่าให้นั่งพ่วานนาอาขวาทับขาส่ายให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธหายใจเข่าพุทธหายใจออกโธขั้น่ามันบอกอยู่ให้พุทธโธพุทธโธพุทธโธให้ทีขั้นว่าจิตใจยังหมท่นหมท่านอยู่ให้นับหนึ่งสองสาถึงลอยแล้วก็นับไป อจากนั้นพ่อมันอยู่เลยให้มาพุทภาวนาพุโทโธอีกเอจิตสงบหนึง่งพลวามิอยู่สามสามคณะคณะกาอุปจาระอัปปนาสมาธิแต่เมื่อคิดเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเข้าจะหูได้โดยตนเองว่ะตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญล่อ ง, งกันมากหน้า อ, าอยากจะให้ลูกให้หลานคณะรัดทายญาติโยมทดลองบากหน้าภาวนาตามแนวแถวพ่อแม่คูบาอาจารย์ ลงปูหลงตาปรนะเด็นน้ำสร้างสอนลูกหลานจะเชื่ อ, อเมื่อเปนเชือบอื่นเชือในเจ้าของเลยบาทนี่แม่นอีหลีตัวนี่ยนั่นแหล ะ, mm hmm. ะการพูดการเกาวการแนะนําให้ลูกให้หลานทั้งหลายได้ฟังเคเห็นว่าสมควรกับการเวลาโดยอํานาจคุณภาษีลัตนาใจพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปอให้คุ้มคล้องลูกหลาน จงประสุบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาเสียงใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ห้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเธอ